ปฏิหาแห่งการเตือนอยู่เสมอตอนจากโมหะจิตถึงจิตเดิมแท้และหนึ่งคือทั้งหมดทั้งหมดคือหนึ่งคุ้ครูอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะฝึกสตินั้นเราไม่ควรไปติดเรื่องความดีความเลว ซึ่งจะทาให้เกิดการทะลับเบาแววงภายในตัวเราเองเมื่อไรก็ตามที่ความคิดฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็ให้รับรู้ว่าความคิดที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วแล่ถ้าหากความคิดฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นก็ให้รับรู้ว่าความคิดฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นแล้วอย่าไปเกาะติดหรือพยายามกำจัดมันถึงแม้ว่าเธอจะไม่ชอบมันก็ตาม รับรู้มันเฉยๆก็พอแต่ถ้าหากมันจากไปเธอก็ต้องรู้ว่ามันจากไปแล้วหากมันยังอยู่เธอก็ต้องรู้ว่ามันยังอยู่เมื่อใดเธอมีสติถึงขนาดนี้เมื่อนั้นเธอไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอีกต่อไปเมื่อครูกล่าวถึงยามเฝ้าประตูวงังเธออาจจะจินตนาการเห็นว่า ที่ประตูนั้นมีทางหนึ่งสําหรับเข้าและทางหนึ่งสําหรับออกโดยมีจิตของเธอคอยเป็นยามเมื่อความรู้สึกหรือความคิดใดเข้ามาเธอก็รู้เมื่อความรู้สึกหรือความคิดใดออกไปเธอก็รู้แต่การอุปมาเช่นนี้มีข้อบอกครองอยู่เพราะทั้งความคิดความรู้และจิต ที่คอยเฝ้านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรามักจะมีแนวโน้มที่คิดไปว่ามีศัตรูจากภายนอกพยายามมารบกวนสมาธิของเราและขัดขวางการเข้าใจจิตของเราแต่ความจริงเมื่อเราโกรธตัวเราเองนั่นแหละโกรธเมื่อเราสุขตัวเราเองนั่นแหละสุขเมื่อมีความคิดใดๆเกิดขึ้น และความคิดนั้นๆก็คือตัวเรานั่นเองเราเป็นทั้งยามเฝ้าประตูและคนที่เข้าออกประตูในเวลาเดียวกันดังนั้นจึงไม่ได้สำคัญอยู่ที่การไปตั้งอยู่หรือไล่ความคิดนั้นๆออกไปแต่สำคัญอยู่ที่ต้องรู้เท่าทาันความคิดนั้นๆการเฝ้าสังเกตจิต ไม่ได้เป็นการทำให้จิตนั้นกลายเป็นสิ่งภายนอกที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างฉันและไม่ใช่ฉันจิตไม่ได้จับตัวเองหรือจิตไม่ได้ไล่ตัวเองออกไปจิตทำได้เพียงการสังเกตตัวเองการสังเกตนี้ไม่ใช่เป็นการสังเกตสิ่งภายนอกที่เป็นอิสระจากผู้สังเกต ลองนึกถึงปริศนาธรรมของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ถามว่าอะไรคือเสียงของการตกมือข้างเดียวหรือจะเอาตัวอย่างรถที่ลนลิ้นก็ได้อะไรแยกรถกับต่อมรับรถออกจากกันได้จิตนั้นสัมผัส ต, ตัวมันเองโดยตรงภายในตัวมันเองข้อนี้สำคัญเป็นพิเศษพระพุทธองค์จึงทรงใช้วลีว่า มีสติรู้เวทนาในเวทนามีสติรู้จิตในจิตบางคนกล่าวว่าการพูดแบบนี้เป็นการที่ทรงต้องการย้ําคำว่าเวทนาคือความรู้สึกและจิตคือความคิดครูคิดว่าเท่านี้ยังไม่ได้ความหมายเต็มตามพระพุทธประสงค์การมีสติรู้เวทนาในเวทนาก็คือ การมีสติรู้เวทนาในขณะที่เกิดเวทนานั้นโดยตรงไม่ใช่การจินตนาการภาพพจน์ของเวทนาเพื่อจะเอามากำหนดรู้หรือบริกรรมอย่างกับว่าเวทนานั้นเป็นวัตถุภายนอกการมีสติรู้เวทนาในเวทนาก็คือการที่จิตของเราสัมผัสกับภาวะการมีสติรู้จิตภายในจิตของเรา การสังเกตวัตถุหรือสิ่งที่เป็นสภาวะวิสัยภายนอกตัวผู้สังเกตนั้นไม่ใช่วิธีการทางสมาธิแต่เป็นวิธีการของวิทยาศาสตร์ทางวัตถุดังนั้นภาพของยามเฝ้าประตูคอยสังเกตคนเข้าออกจึงไม่อาจจะให้ความหมายของการที่สติสังเกตจิตได้ในพระสูตรกล่าวไว้ว่า จิตนั้นเหมือนกับลิงที่โหนตัวจากกิ่งไม้นึงไปยังอีกกิ่งนึงในป่าเพื่อไม่ให้ลิงนั้นแคลาลสายตาเราไปได้ขณะที่มันเคลื่อนที่ไปเราจะต้องมองมันอยู่ตลอดเวลาในพระสูตรกล่าวว่าต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลิงนั้นการที่จิตตามรู้จิตนั้นเหมือนวัตถุ ก, กับเงาของมันวัตถุไม่สามารถจะไล่เงาใหพ้นไปได้ ทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะไปไหนมันก็ตามขี่หลังกันไปตลอดเวลาบางแห่งในพระสูตรใช้คำว่าผูกลิงเพื่อหมายถึงการบังคับบัญชาจิตของเราเองแต่การจินตนาการให้จิตเป็นลิงนั้นเป็นเพียงความต้องการที่จะบรรยายให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเมื่อใดก็ตาม เที่ยวเรารู้เท่าทันจิตของเราตลอดเวลาโดยตรงจิตก็ไม่ใช่ลิงอีกต่อไปเพราะมันไม่มีจิตสองดวงดวงหนึ่งวิ่งโหดไปตามกิ่งไม้และอีกดวงหนึ่งเอาเชือกวิ่งไล่ตามอีกตัวไปผู้ฝึกสมาธิมักจะหวังเห็นแจ้งในธรรมชาติของตนเองเพื่อเข้าสู่พุทธภาวะแต่ถ้าเธอเพิ่งเริ่มหัดแล้วก็ อย่าเพิ่งไปเฝ้าคอยการเห็นแจ้งในธรรมชาติของตนเองทางที่ดีอย่าเฝ้าคอยอะไรทั้งหมดและดีโดยเฉพาะตอนนั่งอยู่อย่าตั้งความหวังว่าจะได้เห็นพุทธธรรม6กเดือนแรกพยายามเสริมสร้างพลังสมาธิให้ดีสร้างสารรค์ความสุขภายในอันเกิดจากจิตที่สงบและแจ่มใสผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับใช้สังคมของเราทุกคนต้องฝึกแบบนี้ เพื่อลบล้างความกังวลทั้งหลายและได้รับการพักผ่อนที่สมบูรณ์จากความสงบของจิตใจซึ่งจะทำให้เธอสดชื่นแจ่มใสทำให้โลกัาน์และชีวทัศน์กว้างและชัดขึ้นและเพิ่มความรักในตนเองให้มากขึ้นด้วยการนั่งสมาธินั้นเป็นการบํารุงรักษาจิตใจและร่างกายพร้อมกันไป สมาธิทำให้เราสุขกายเบาใจและสงบรำงับวิถีทางระหว่างช่วงแห่งการสังเกตจิตจนถึงการเห็นแจ้งในธรรมชาติของตนเองนั้นไม่ยากจนเกินไปเมื่อเธอสามารถทำให้จิตสงบรำงับเวทนาและความคิดไม่อาจจะรบกวนเธอได้นะจุดนั้นจิตเธอก็รวมเป็นหนึ่งแล้ว จิตของเธอก็จะบังคับบัญชาจิตของเธอโดยตรงด้วยวิธีที่มหัศจรรย์นี้ทีเดียวฉันและไม่ใช่ฉันจะหมดไปการแยกระหว่างผู้ดื่มชาและชาที่ถูกดื่มจะไม่มีอีกต่อไปการดื่มชาสักถ้วยจะเป็นประสบการณ์อันอัศจรรย์ที่ไม่มีการแยกระหว่างฉันผู้ดื่มชาและน้ำชาที่ไม่ใช่ฉัน โมหะจิตก็เป็นจิตด้วยเช่นเดียวกับคลื่นที่กระเพื่อมในน้าก็เป็นน้าด้วยเมื่อเธอบังคับบัญชาจิตได้โมหะจิตก็จะเป็นจิตที่แท้ตามธรรมชาติจิตที่แท้ตามธรรมชาติก็คือตัวเราที่แท้ตามธรรมชาติคือพุทธะคือสภาวะหนึ่งเดียวที่อยู่เหนือมายาทั้งปวงที่เกิดขึ้นด้วยความคิดและภาษานั่นเองควง ครูวขออุทิศข้อความต่อไปนี้สำหรับผู้ทำงานเพื่อสังคมที่จะนำไปใช้สำหรับการปลดปล่อยตนเองออกจากความคิดที่คับแคบตลอดจนขจัดความกลัวและยังความเมตตากรุณาแย่งพระโพธิสัตว์ให้ถึงพร้อมเป็นการเจริญภาวนาในเรื่องความเกี่ยวเนื่องกันของสรรพสิ่งความเป็นอนิจจังและความเมตตากรุณา ในขณะที่เธอนั่งสมาธิอยู่นั้นเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วเธอสามารถหันมาพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันของสรรพสิ่งการพิจารณานั้นไม่ใช่เป็นการคบคิดถึงความรู้ทางปรัชญาอย่างเอาเป็นเอาตายหากเป็นการชำระของจิตลงไปสู่จิตอีกทีหนึ่งใช้กําลังสมาธิของตน ทำให้วัตถุที่ เ, าเราเพ่งพิจารณาเปิดเผยธรรมชาติจริงแท้ออกมาสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระสูตรอันว่าด้วยวิญญาณจะรู้ว่าคําว่าวิญญาณนั้นหมายถึงทั้งผู้รู้และวัตถุที่ถูกรับรู้ผู้รู้ไม่สามารถแยกออกจากวัตถุที่ถูกรับรู้ได้การมองเห็นจะต้องมองเห็นวัตถุอะไรบางอย่าง การได้ยินก็ต้องได้ยินอะไรบางอย่างการโกรธจะต้องโกรธใส่อะไรบางอย่างการหวังจะต้องหวังอะไรบางอย่างการคิดจะต้องคิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเป็นต้นถ้าหากวัตถุที่ถูกรับรู้คืออะไรบางอย่างไม่มีอยู่ผู้ทำการรับรู้ก็จะไม่มีอยู่ด้วย การที่ผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาจิตเขาจะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างผู้รับรู้กับวัตถุที่ถูกรับรู้เมื่อเราเจริญสติตามลมหายใจนั้นการรู้ถึงลมหายใจก็คือจิตเมื่อเราเจริญสติในเรื่องกายการรู้ถึงกายก็คือจิตถ้าเราพิจารณาวัตถุข้างนอกตัวเรา การรู้ถึงวัตถุเหล่านั้นก็คือจิตนั่นเองดังนั้นการพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันของวัตถุของจิตทั้งหลายก็เป็นการพิจารณาจิตด้วยวัตถุของจิตทุกชนิดก็คือจิตนั่นเองในพุทธศาสนาวัตถุของจิตนี้คือธรรมและธรรมมักจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มคือ 1. รูป 2. เวทนา 3. ส, สัญญา 4. ส, สังขาร 5. วิญญาณทั้งห้ากลุ่มเราเรียกว่าขัน5้ขันที่หอันได้แก่วิญญาณนั้นได้วรวมขันสี่อย่างข้างต้นไว้หมดและเป็นรากฐานของการดำรงอยู่ของขันทั้งสขันข้างต้นการพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกัน เป็นการมองลึกเข้าไปในธรรมทั้งปวงเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมชาติจริงของมันเป็นการมองให้เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงอันยิ่งใหญ่และมองให้เห็นว่าความจริงอันยิ่งใหญ่นั้นไม่สามารถจะแบ่งแยกออกไปได้ไม่สามารถตัดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วให้แต่ละชิ้นมีความเป็นอยู่ของมันเองต่างหากได้ วัตถุของการพิจารณาอันแรกก็คือตัวเราการประกอบชิ้นของขันทั้ง5้าในตัวเราผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาชีนี่และเดี๋ยวนี้ของการกลุ่มการเข้าของขันทั้งหที่ทำให้เราเป็นเราดังที่เห็นอยู่นี้ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นกายของตนว่าเป็นปรากฏของรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณโดยสังเกตพิจารณาองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้จนกระทั่งเห็นว่าสิ่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องอยู่อย่างใกล้ชิดกับโลกภายนอกตัวเราถ้าโลกไม่มีการประกอบกันขึ้นของขันห้าก็ไม่มีดูโต๊ะเป็นตัวอย่างโต๊ะมีอยู่ได้ก็เพราะสิ่งที่ไม่ใช่โต๊ะมีอยู่ ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นและถูกตัดเอามาทำเป็นไม้แปลรูปช่างไม้แหล่งแร่เหล็กที่เอามาถลุงทำตะปูและตะปูเกลียวและสิ่งต่างๆอีกนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยเจ้าโตตัวนี้ตั้งแต่พ่อแม่และบรรพบุรุษของช่างไม้ดวงอาทิตย์และน้ำฝนที่ทำให้ต้นไม้เติบโตได้ ถ้าเราจะจับความจริงของโต๊ะนี้แล้วเราจะเห็นว่าโต๊ะตัวนี้ด้วยตัวของมันเองมีสิ่งทั้งหลายทั้งโปงที่ไม่ใช่โต๊ะปรากฏอยู่ถ้าหากเรานำสิ่งที่ไม่ใช่โต๊ะทั้งหลายกลับคืนไปสู่แหล่งเดิมเช่นตะปูกลับไปสู่แหล่งแร่เหล็กไม้กลับไปสู่ป่าช่างไม้กลับไปสู่พ่อแม่ โตก็ไม่สามารถมีอยู่ได้อีกต่อไปบุคคลใดที่เห็นโต๊ะแล้วสามารถเห็นจักรวาลบุคคลผู้นั้นคือผู้เห็นมรรควิถิผู้ปฏิบัติธรรมมองดูการกลุ่มกันเข้าของขันทั้ง5้าในตัวเองในลักษณะเช่นเดียวกันเขามองดูจนกระทั่งเขาแลเห็นธรรมแห่งความเป็นหนึ่งในตัวเขาและสามารถแลเห็นว่า ชีวิตของเขาและชีวิตของจกักรวาลนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าหากขันห้ากลับคืนไปสู่แหล่งที่มาตัวเราก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปทุกวินาทีโลกคำจุนให้ขันทั้งห้าดำรงอยู่ตัวเรานี้ก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากขันห้านี้เลยการกลุ่มกันเข้าของขันห้านี้ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดบทบาทของการสร้างและการทำลายของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรกวาล